บทพระพุทธคุณอิติปิโสภัควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรบุริสธรรมมสารถเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภัควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมดังนี้ บทพระธรรมคุณสว่าขาโตภคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปัญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้พระสังฆคุณสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว อุชุปฏิปันโนโภัควโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนโภควโตสาวกสังคโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภัควโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุกคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษเอสัพัควะโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสองครแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่ศ ก, การะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักสินาทานอัญชลีกะระนีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังปุญยักเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้